เราก็ไม่อ่านไม่กัน้นถ้าดูจิตดูใจของเราไม่อัานไม่กัน้นร่างกายก็ไม่เกงาหายใจปอดโป่โงโล่งโอว่าอย่างนี้ไม่มีทุกข์แล้วนเนี่ยดับทุกข์แล้วนเนี่ยผล้องงานปริมาตรรู้อย่างนี้แหละรู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์จบเลยนะ ยังไงไม่ต้องมีความคิดความเห็นดูความรู้สึกของเราดูความรู้สึกนะไม่ใช่เรารู้สึกเราเห็นความรู้สึกของเราเราดูความรู้สึกเราเห็นความรู้สึกของเราสงบหรือไม่สงบอ่ารู้ได้เลยเห็นความรู้สึกของเราสงบความรู้สึกของเราไม่สงบแต่ถ้ารู้แล้วมันสงบมันจะหยุดหยุดอยู่พักอยู่ความรู้สึกมันหยุด มันจะไม่ปรุงแต่งเขาเห็นความรู้สึกมันจะหยุดเลยนั่นแหะเรียกว่าสงบก็ได้หรือเฉยเฉยหายใจกระโปรงเบาโลว่าไม่มีอะไรเนี่ยเราดูให้ต่อเนื่องต่อเนื่องนดูเบาๆรู้ได้อะรู้ได้นะไม่ใช่เราต้องรู้อันนี้มากไปนั่นมันยึดแหละเราเห็นความรู้สึกมันจะเป็นความปล่อยความวางมันจะไม่ติดไม่ยึด ถ้าเป็นเรารู้สึกมันจะติดมันยึดถ้าเป็นเรารู้สึกเนีย่ยมันจะต่างกันต้องดูให้ดีๆนะต้องสังเกตให้ดีๆส่นมากเราจะเป็นเรารู้สึกอ่ะแต่เราไม่ได้ดูความรู้สึกที่เรารู้สึกยังไงเราดูอีกทีเราจะเห็นความรู้สึกอย่างนี้ถ้าเราดูอย่างนี้มันจะหยุดละรู้นั่นนเกิดปัญญาอย่างนี้จะไม่มียินดีอินไายต้องการไม่ต้องการอยากไม่อยาก เงียจิตใจก็ไปไปหมกไม่หมกมุ่นไม่เกาะเกี่ยวอะไรมันไม่ติดไม่ยึดมันเป็นคามปล่อยความมาไม่หมกมุ่นเกาะเกี่วกับอะไรเนี่ยอย่างมีจิตว่างถ้าโลยอย่างนี้จิตมันจะว่างว่างจากโลภะโทสะโมหะหรือว่างจาก อ, าอะไร น, นั่นนี่อย่างนี้ไม่มีทุกข์ก็เป็นไปเพื่อไม่ทุกข์อะต้องสังเกตนะคือไม่มีทุกข์ก็ใช้ได้แต่นี้พอเห็นว่ามันมีทุกข์กจเจริญอันนี้ หายใจไงผอดโพงยืดหลังยืดเอวไม่เกรงเนือเกร ง, กงตัวหรือเรเคยสังเกตนะมัอ่าเนี่ยเรานั่งเราก็ดูการนั่งของเราเป็นไงนั่ ง, ง, ง, งมันปวดเมื่อยไหมมีปวดเมื่อยล้วก็รู้จักแก้ไขอ่ะขยับนิดนดีอยอย่ะเนี่ยคอยแก้ทุกเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ความเคลืนน่อนไหวรู้กายรู้ใจรู้ทำไมรู้แล้วก็รู้จักแก้ไข น, นั่นเอง เจิตใจไม่อ้างไม่กา้างร่างกายไม่เกรงเนื้อเกรงตัวมันจะเบาว่าว่างดีเลยสงบทันทีเลยเลยนี่ยมันง่ายๆนะไม่ต้องทําเลยรู้อย่างนี้ให้เรารู้จักรู้จักอย่างนี้ไม่ใช่ไปทำนะถ้ารู้จักอย่างนี้ก็ไม่ทุกข์แล้วไม่มีทุกข์แล้วเนี่เราเคลื่อนไหวนี่เราก็นะเคลืไปทีเราก็ยังเห็นความรู้สึก โง่เบาโรคว่าเคลื่อนไวไปทีก็ยังเห็นอยู่เคลื่อนไปทีก็เห็นอยู่เนี่ยเป็นยังหับยังหวังเนี่ยนะเราเคลื่นไปทีแล้วก็ดูเห็นความรู้สึกจิตใจแล้วก็หยุดอยู่เคลไปทีก็ยังเห็นความหยุดพักอยู่หยุดอยู่หรือพักกนะ็ได้จิตใจความรู้สึกความรู้สึกได้พักเนี่ น, นิพานายอยู่ตรงเนี้ยหรือหยุด หรือความรู้สึกพักสังเกตให้ดีๆพอเราถ้าไม่ได้ดูอันนี้แล้วมันจะไม่ได้พักวังมันไม่ได้พักมันจะรู้สึกรู้สึกอะไรอะไรู้สึกกับเรื่องนั้นรู้สึกกับเรื่องนี้คือยกว่าคิดนั่นเองอ่าแค่มีความคิดความเห็นไหมเราก็ดูที่ความรู้สึกถึงจะมีความคิดเห็นอะไรถ้าเราเห็นความรู้สึกอยู่เราก็สามารถเราก็จะควบคุมได้อย่าให้เกิดก็เป็นไปเพื่ออย่าให้มันเกิดยินดียินไล่ต้องการไม่ต้องการ หมุดหงิดลำคาญกระทบสัมผัสอืเราก็รู้จักไม่ให้หมุดหงิดลำคาญได้ให้มันเป็นไปไงก็ได้นะจะต้องรู้จักเพื่อความดับทุกข์เพือความไม่มีทุกขนะ์เป็นไปเพื่อความไม่มีทุกข์แล้วมันก็สบายกายมนะันสบายใจสบายหรือความรู้สึกของสบายเห็นความรู้สึกสบายนะไม่ใช่เรารู้สึกถ้าเรารู้สึกมันจะยึดแหละ เขาเรียกมีอัตราตัวตนแล้วมีตัวตนนั่นไม่ว่างแล้วอถ้าอย่างนี้มันว่างจากตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเห็นความรู้สึกหรือเห็นภาวะธรรมหรือเห็นธรรมอันเดียวกันเนี่ยคําพูดเยอะแยะเลยน ะ, ะมันเป็นคําพูดหรือเห็นตัวเรานะหเห็นความรู้สึกนั่นแหละ แต่จริงๆมันไม่มีตัวมีตนมันสักแล้วว่าเป็นความรู้สึกเป็นภาวะทำเท่านั้นถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยมันก็เฉยเชยมันไม่มีแต่ถึงมีเหตุมีปัจจัยถ้าเรารู้อยู่มันก็ไม่เกิดอะไรครัว่าไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดไม่มีดับเนี่ยถึงเรียกว่าเห็นครามเกิดดับแลเห็นตรงนี้คือจิตใจเราไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับไม่มียินดียินร้ายอยินดีร้ายมันไม่เกิด เมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไรดับอ่ามียินดีไายเกิดยินดีได้ก็ต้องดับเนี่ยมีเกิดดับก็อย่างนี้ก็ที่เละนั้นนะ่ะมันเกิดดับเนะหรือทุกข์นั่นน่ะที่เกิดดับเนี่ยพระเจ้าถึงสอนในโลกนี้มีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ที่ตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีเกิดนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับก็หมายถึงอันนี้เนี่ยต้องดูจิตใจต้องดูต้องสังเกตขยัง เคยตรวจสอบของเราเรืเ่อยๆนะอเนตรถึงก็บเนี่ยมาฝึกกันเลยว่าสร้างจังหวะเอามือไปเอามือมาก็เพื่าดูดูเตือนเนื้อเตืนตัวมันจะไม่ง่วงหนอถ้าเราไม่ดูแล้วมันจะง่วงเดี๋ยว เ, เพินมันจะง่วงพอมันสงบแล้วมันจะง่วงอพอเห็นเตือนเนื้อเตืนอตนตัวมันจะไม่ง่วงน ะ, นะมันจะตื่นความรู้สึกเห็นความรู้สึกความรู้สึกมันเตือนโพรงว่าง มีชีวิตชีวานะนี่ดูดีๆโอ้ถ้าเราเห็นอย่างนี้โอ้เนี่ยมันจะมีความอบอุ่นอย่างพิลึกชีวิตปลอดภัยไม่มีทุกข์ปลอดภัยทําการทํางานไปไหนมาไหนอยู่กับอะไรได้หมดอ่ะเนี่ยรู้ได้หมดเลยนะเนี่ยเราเคลื่อนไหวเราเคลื่อนแบบนี้เราก็รู้ยังไงเบามือเบาแขนนะเคลื่อนไปยังไงถึงไม่เสียกําลังมือกําลังแขนไม่ปวดเมื่อยง่าย หรือมันปวดเมื่อยอ่ะก็ต้องดูนี่ก็ต้องเคลื่อนยังไงถึงไม่ปวดเมื่อยสบายนอกจากไม่ปวดเมื่อยแล้วย응ังสบายแขนดิสบายเนื้อสบายตัวต้องดูดูกายก็ได้เนี่ยดูกายรู้กายอย่างเนี้ยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเคลื่อนไหวกันเนี่ยนี่เรื่องของกายอ่าเคลื่อนไปอย่างนี้อย่างนี้เป็นไปเพื่อสบายมือสบายแขนดิไม่ปวดเมื่อยเห็นความรู้สึกไม่ปวดเมื่อยนะเห็นความเคลื่อนไหวเคลื่อนไปอย่างนี้เห็นอาการ ไม่ใช่เรานะไม่ต้องมีเนี่ยถ้าเห็นอย่างี้ไม่ใช่มีเราเราต้องทำอย่างนี้ถ้าเราต้องเอามือไปมือมาเราต้องสร้างจังละอย่างนี้จะเป็นภาระทางจิตนะอันนั้นจะทุกข์แหละเป็นภาระมีภาระทางจิตรู้สึกว่าเราต้องทำแต่นี่ไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราต้องทำนะเนีย่ยชี้ให้ดูสังเกตทำการทำงานก็เหมือนกันไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรแต่มือไม้ทานะนะ เทาก็เดินไปทำไปมือไม้ก็ทำไปเนี่ยกว่าดเพลนหวาดสาลาเช็ดทุกล้างถ้วยล้างจานเราก็เห็นอ่ามือไม้ก็ทำไปเจ็บจิตใจเราก็พักอยู่สบายอยู่ไม่มีความรู้สึกว่าต้องทำอะไรอ่าแต่รู้ว่าทำอะไรอ่าเนี่ยเห็นอาการการทำทำดีหรือไม่ดีทำถูกก็ไม่ถูกอืมอยากละเอเียดจะเห็นได้เลย เป็นยังไงเป็นไปยังไงถึงจะดีทํายังไงถึงจะเรียกร้อยหรือไม่เรียกร้มันจะเห็นนี่กวา่า้านวัดกันยังไงเนี่ยกวาดยังไงยืนอยู่ยังไงถึงไม่เมื่อยแข็งมื่อยขาขยับเนือขยับตัวรู้ปัจอยบันเนี่ยมีความสุขอยู่กับการกับงานตอนี้พวเราไม่ทำไม่ได้ศึกษาไม่ได้ดูอย่างนี้ไม่ได้ฝึกอย่างนี้ ทำงานไปจิตใจโอเคอะไรก็ลอยไปเลื่อนลอยไปคิดเรื่องนั่งเรื่องนี้ไปแต่ถึงรางทีบางครั้งไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ก็ถือว่าหลงนั่นก็เรื่องหลงถ้าไม่รู้กายรู้ใจแต่นี้เป็นใครรู้กายรู้ใจน ะ, ะถึงจะคิดอะไรก็รู้นะแต่มันจะไม่คิดเลเ อ, อะเทอะอไม่คิดเลเอะเทอะมันจะรู้ว่าคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดมันก็อย่ารู้อยากตัดมันก็ไม่เอาแล้ว คิดไปทําให้เกิดโลภะโทสะหรือเกิดอ่ายินดีเย็นร้ายก็อ่ารู้เท่าทันนี่แต่เรยวรู้เท่าทันความคิดถ้าเรารู้กายรู้ใจอยู่เออจะมีต้องทําอย่างนี้แหละนะต้องรู้อย่างนี้จะปฏิบัติแบบไหนก็แล้วแต่เถอะถ้ารู้อย่างนี้แล้วไม่มีทุกข์จบแล้วนะนั่งตัวตรงสมายหรือนั่งตัวงอสมาย อ่าหลังสี่เรานั่งตัวตรงเออสบายเดี๋ยวนั่งไปนั่งไปครับเดี๋ยวไม่สบายเราก็ต้องงอแก้ไขอ่าพององอแก้หาอ่าหายปวดเมื่อยเราก็ยืดออกอ่ายืดตัวตรงอ่าเมื่อยเราก็งอแก้ไขรู้จะแก้ขยับเนื้อขยับตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยปวดเมื่อยเนี่ยดูความรู้สึกของเราทางกายทางใจเนี่ยวันวันจะไม่ปวดเมื่อยนะหลวงพ่อเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปแล้วเรื่องปวดเมื่อยไม่มีหรอก เนี่ยรู้อย่างนี้แหละนะเขอเคยขี้คายคอยผ่อนคายค่อยแก้ไขยอยู่เรื่อยๆพอเมื่อ น, นิดอ่าขยับสบายแล้เนี่ยความสุขก็อยู่ตรงนี้นะดูความเคลืนไหวดูแล้วเกิดความสุขด้วยเพราะเราเคอยแก้ไขและสุขทุกทีสุขหรือสบายนั่นเองนะไอ้สุขนี่บางครั้งคนไม่เข้าใจเลยบางทีก็เลยเห็นว่าเป็นไปเพื่อสบายบานั่นนั่นแหละยิ่งปันสุข ขยับเนื้อขยับทัวร์ที่สบายนะหายใจเข้าออกก็สบายหายใจยังไงถึงจะรู้สึกปอดโปร่งลงอกลงใจที่หายใจยังไงถึงจ้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจดีก็ดูความรู้สึกอ่ะหายใจอย่างไรถึงจะมีชีวิตชีวาดีหายใจอย่างไรถึงจะเติมเนื้อเติมทัวรี่คงแข่วกรองไว้ไม่อืดอัดยืดยาดไม่เฉยชานะมันจะเหมาะแก่การแก่งงานควรแก่การแก่งงานชีวิตถึงเงี้มีค่ามีราคา เราถ้าไม่รู้จักมันก็เบอร์เบอร์เสลืมเสลือหรือใจลอยอย่างนั้นเรียกว่าโมหะหรือเรียกว่าโง่หรือเรียกว่าหลงก็แล้วกันจิดโง่จิตเป็นอกุศล น, นะถ้ามารู้อย่างนี้รู้การู้ใจอย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นอกุศแลแต่ว่าฉลาดนะฉลาดโดยจะแก้ไขนะโดยจกักปรับโดยจะพัฒนา ชีวิตให้มันมีค่ามีราคาหรือให้มันมีคุณภาพเรื่องมีประสิทธิภาพแล้วถึงเงี้ยเป็นไปเพื่อไม่ทุกข์นั่นเองนี่แหละประโยชน์นะประโยชน์ก็คือความสุขอ่ะถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์อประโยชน์ยังไงคืหมายถึงมีความสุขไม่ทุกข์นั่นเองประโยชน์คือไม่ทุกข์ถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วมันทุกข์ถึงยังทำอ า, า, าหากินก็ต้องทำก็ต้องรู้ทํำยังไงใช่ไหม ทำการทำงานทำให้ดีที่สุดทำดีแล้วมันก็ดีอะนะทํมมาให้เต็มไม้อเตนะ็มมือนะไม่ทําแบบยอ่อๆแยะๆมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ผลอ่ะนะทํมมาเต็มมือเต็มมือมันก็เร็วคล่องแคล่วว่องไวมันก็ได้การได้งานโอ้อยู่ทางโลกทำอาหารกินรวยลูกเดียวไม่มีทางชนรับรองเลยแล้วก็ใช้น้อยกินน้อยเพราะมาไม่อยากอ่ะ พอมันอยู่กับกายกับงานอยู่กับความโลนื้อโลตัวเดินนเดินตัวมันมีความสุขอ่ะมันก็ไม่ไปคิดอย่างอื่นอยากไม่อยากมันก็ไม่มีนะยืนเดินนั่งนอนสบายหมดเดินไง่ายก็เดินเป็ไงเบาแข็งเบาขาดีเบาเนื้อเบาตัวดีเดินไงไม่เสียกําลังขาหรือไม่ปวดืง่ายหรือมันปวดเมื่อยเดินไง่ายต้องรู้จักเดินไงถึงยอมหายปวดหายเมื่อยแน่นอกจับนะ หายปวดหายเม <c oughs> no ื antim, no no ่อยไม่ปวดไม่เมื่อยล้วยังมีความสุขสบายแข่งสบายขาเดินเหดี๋ยบแค่มันเต็มเท้านะอไม่ต้องมีความรู้สึกเราต้องเดินอีกอเดินไปเฉยๆเดินไปเราก็เห็นความรู้สึกสบายเป็นบปเพื่อสบายถ้าเป็นเรารู้สึกว่าเราต้องเดินอย่างนี้เป็นภาระนี่แหละให้รู้จักอย่างนี้แหละฝึกรู้อย่างนี้เนี่ยรู้ธรรมะรู้อย่างนี้ หรือการทำภาวนาก็รู้อย่างนี้นะน่ยมันคำพูดเนะนี่เคยประคับประคองรู้วา่วาพอเห็นทางรู้สึกอ๋เนี่ยรู้อยู่เคลื่อนไหวไปทีก็ยังเห็นอยู่เคลื่อนไปทีก็ยังเห็นอยู่ตาดูก็ยังเห็นอยู่เนี่ยตาเรยจะดูอะไรผู้เราจะฟังเสียงอะไรเราก็ไม่ลืมความรู้สึกไม่ลืมความรู้สึกของเราเลยอันนี้ต้องใช้เวลาเลยนะ สวยมาเราจะลืมพอตาดูก็ไม่เห็นความรู้สึกละไม่เห็นกายเห็นใจละพอมาดูกายดูใจใก็ไม่เห็นข้างนอกละเนี่ยอย่างนี้มันจะไม่กลมเกินมันจะไม่มันจะไม่เชื่อมโยงกันอย่างนี้จะไม่ไม่มีผลมากนะแต่ยังไม่เป็นเราต้องค่อยๆฝึกให้มันเชื่อมโยงกันะรู้กายรู้ใจรู้นอกรู้ในเตือนเนื้อเตนตูวคลองแค่ว่องไวเลยเป็นไปเพื่อมันคล่องแค่ว่องไวทีแรกมันไม่คลองแค่วงไวเราต้องฝึก ไม่ใช่เป็นไปเพื่อเฉยชาอึดอัยืดยาดเนี่ยงทีที่พอเราถ้าไม่รู้จักเรามาฝึกปฏิบัติแล้วก็สันหแบบอึดอายืดยาไม่เอาไหนอะนะไม่อยากจะทําอะไรถ้าทําการทํางานแล้วเป็นทุกข์นั่นนะฟ้าไม่อยากนั่นแหะกีเลสเป็นครอบงานกีเลสมัน <laughs> เรียกว่จมอยู่กับกีเลสนั้นแหละ กิเลตัณหาหมดเลยถ้าอย่างนี้มันไม่มีกิเลสตัณหาเกี้ยงไม่ต้องละด้วยไม่ต้องละอะไรอะ่ะพอมารู้เนี่ยมันละหมดเนี่ยภาวะเดิมของเราก็ะดัใช่ไหมจริงๆภาวะเดิมของเราเนะี่ยบริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะฟาไม่รู้เมื่อไม่ไม่รู้มันก็ก็ถูกปูนแต่งถ้าเรารู้เกลี้ยงไม่มีอะไรเหมือนน้ำน้ํามันก็บริสุทธิ์ เอากาแฟใส่ลงไปเอาสีใส่ลงไปมันก็เปลี่ยนสีแหละนี่ถ้าเรารู้เนี่รู้ตัวเราก็รู้ว่าเออให้มันสะอาดอยู่แล้วก็อย่าเอาอะไรใส่ลงไปเราก็จะควบคุมความรู้สึกของเรานนัเองย้ายมันเสียคามรู้สึกย้ายมันคนมัวหรือไม่เศร้าหมอไม่มีอะไรกับอะไรดูอะไรก็ไม่มีไม่มียินดียินไล่ดูก็ดูเฉยเฉยไม่วิพากวิจารเราอยควบคุมมันนี้ได้ว่าเออเราดูอะไรเราก็ไม่จน ดูอะไรพูดอะไรฟังเสียงอะไรดูใจของเราใจเฉยๆหยุดอยู่พักอยู่ไม่วิพากวิจารไม่จินตนาการไม่ไปทำนิติเตียงใครไม่ไปลบหลู่ดูถูกใครไม่ไปล่วงเกินใครอย่างนี้ไม่มีทุกหมดเวรหมดกรรมถ้าดูงี้ต่อเนื่องนะอย่างนี้หมดเวรหมดกรรมไม่มีเวรมมีกรรมเลยนะ แต่คนเรายังมีสิ่งเหล่านี้มันจะมีเวรมีกรรมไม่มีสิ้นสุดหรอกเห็นใครแล้วเดี๋ยววิภาควิจารณ์ว่าเดี๋ยวก็ชอบหน้าเดี๋ยวก็เน้นหน้ามีเยินดีเย็นลายในระเบียบกรรมเท่านั้นนะะไม่มีอไม่มีจบหรอกนั่นมันอยากให้ผลอยู่เรื่อยๆนี่เราทำแล้วมันหมดอ่ะไม่มีอะไม่มีเหตุมีผลอยู่เหนือเหตุเหนือผลดาบเหตุดับผลหรืออยู่เหนือเหตุเหนือผล รู้เหตุรู้ผลเนี่ยรู้ธรรมะกรู้อย่างนี้อีกอ่ะไม่มีทุกจบทุกทีเนี่ยเนี่ยถ้าทำให้มันถูกแล้วมันง่ายๆทําเงี้ง่ายๆแต่ที่เรียนกันไม่รู้บางทีก็ครูบาอาจารย์ที่แนะนำมันยากของง่ายๆแนะนำมันยากสอนเนียมันยากเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยมันรู้อย่างนี้สิบกว่าปี้พาก็ทําไม่ถูกหรอ จะทำอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยทำอย่างเงี้ยเง้ยเตอหลังมารู้โอ้เนี่ยพอมารู้อย่างนี้มันไม่ต้องทําอะไรเลยนะเนี่ยเดเคลื่อนไหวนี่ก็ไม่ต้องมีความรู้สึกก็ต้องทําอะไรเข้าใจนะอ่านะสบายนอกจากไม่ทําอะไรเล่อสบายเห็นเลยสบายมือสบายแขนเบามือเบาแขนเบาเนื้อเบาตัวจะไม่ปวดเมือ่อยด้วยนะจะทำไงมันไม่ปวดเมือ่อยรู้ว่า นี่อย่างนี้ถึงนี้เลยว่ า, ารู้ความเคลื่อนไหวรูร้คามเคลื่อนไหวรู้อริยบทนี่เด็กผู้เจ้าก็สอนอย่างนี้เลยว่าสติปัฏฐานสีก่ก็ได้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนี่อันเดียวกันน่ะเนี่ยรวมหมดเนี่ยอย่างนี้ที่พูดเนี่ยจบอยู่ในนั้นหมดแหละไม่ไปพูดปฏิยญติอย่างที่รูบาอาจารย์ก็พูดกันนาะ เวทนาอย่างนั้นองนั้นเอาเวทนาเขารู้สึกสบายไม่สบาย น, นนะเราก็ปรับได้แล้วก็ควบคุมได้แก้ไขได้เราย้ากมันทุกข์แล้วให้มันสุขอนะใช่ไหมให้มันสบายหรือไม่สบายก็ต้องรู้จักอ่ะถ้าไม่รู้จักแล้วก็ทุกข์ไปนะถ้ารู้จักแล้วจะไม่ทุกข์เลยเนี่ยชีวิตถึงจะมีค่ามีราคาเรียกว่าเกิดมาทําไม เกิดมาเพื่อให้รู้อย่างนี้ถ้าพอเราเกิดมาไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าเสียชาติเกิดนะไปยังทุกข์นะนี่เราอยงก็เป็นผู้ประเสริฐและเรียกคำาอาริยะเป็นพระอาริยะหรือเป็นอริยะบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐหรือผู้ประเสริฐนี่ยังเรี้ยถึงอย่างประเสริฐ เรียกกับบัณฑิตหรือเรียกว่าผู้รู้หรือสัตตะบุรุษโอ้ทำพูด เ, เรียกได้นี่ยบัณฑิตบัณฑิตก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนจบปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกแต่ถ้าไม่รู้อย่างนี้มันไม่ใช่หรอกนะมันก็ยังเป็นโมหะอยู่เป็นปู้ชกชนอยู่อย่างหนาแน่นด้วยกิเลสตัณหายังจมอยู่กับกิกเลสตัณหาหมกมุ่น มัวเมาอยู่กับกเดตัณหาเนี่ยทุกวันนี้ดูเยอะเลยน ะ, ะหลายสิบก้อเซนเลยที่รู้อย่างนี้จะมีน้อยมากหายืนยันเลยเนี่ยบ้านเมืองมันวุ่นวายวนเนี่ยมีกินมีใช้ก็ยังวุ่นวายยังเดือดร้อนยังหาความสุขไม่ได้อย่างนี้ยังโง่หรืฉลาด เกิดมารู้เกิดมันทำอะไรเกิดมาวุ่นวายทำให้โลกวุ่นวายทำให้คนเดือดร้อนเบียดเบียนกันถ้ารู้อย่างนี้จะไม่เบียดเบียนใครหรอกเดี่ยจะมีเข้าถึงพรมพรมวิหารเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานี่แหละเรียกโบมีหารใช่อย่างนี้เขาเรียกว่ามีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วก็อยู่กับอันนี้เห็นอะไรบ้างดูนะ ไม่มีไม่ไปเลังเกียรติหรือไม่ไปรักชอบใครดูอะไรก็เฉยเฉเนี่ยเบียขาเห็นอะไรก็เฉยเฉยเขาจะดีเราชั่วก็เห็นก็อย่ารู้เนี่ยคนเรามันไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นรู้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นรู้ยังไงก็เป็นอย่างนั้นอารมณ์เกียรตมันว่างอยากอะไรมันรู้อะไรเป็นอะไรมันไม่ยุ่งหรอกโลกนี้มันจะสะงบเนี่ยชาอิวัฒนธรรมสูตรบางสกุล ข้อสุดท้ายก็เดยว่เตสังบูปสมโธสุโคความเข้าไปสงบระงับในกองสังขารเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งก็เนี่ยพอเมรู้อย่างเงี้ยสงบความรู้สึกสงบมีทุกที่ไหนตอนนี้เนี่ยไปปุงสังขารไปปุงคนตายคนตายมันไม่มันปุงแต่งไม่ได้แล้วมันตายไปแล้วใชมไหมตอนนี้ไปปุงในซากศพอะซากศพเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีวิญ ญ, ญาณวิญ ญ, ญาณมันดับไปแล้ว ใจ ต, ตัวรู้มันไม่ดับนะตัวรู้มันก็เกาเกิดไปเรื่อยๆถ้ายังมีกิเลสตัณหามันก็ยังอยู่กับกิเลสตัณหาถึงตายไปแล้วก็ยังอยู่กับกิเลสตัณหานั่ยแหละนั่นเนี่ยยิ่งทุกข์ยิ่งทรมานเลยตอนนี้มันจะแก้ไขไม่ได้ด้วยนี่ตอนเป็นเป็นต้องรู้อยากเป็นๆนี่ตายแล้วจะไม่มีจะไม่ตกนรกาตายดปแล้วแก้ไขไม่ได้แลก็ต้องเป็นไปตามตามบุญตามกรรมมาลย ก็เป็นไปตามที่รู้รู้อถ้ารู้ไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ถ้ายังไม่รู้เรื่องทุกข์มันก็อยู่กับทุกข์นั้นหมกมุ่นอยู่กนนั้นนะนี่ข้อสาคัญต้องให้ตือนตือ น, นตัวรู้นื้รู้ตัวไว้มันเคยจะไม่รู้อ่ะมันเขาว่าสติสติแต่ว่าเคยละลึกรู้นี้ไหมอย่าลืมมันนี้แต่มันยังเลินอยู่ก็ต้องใช้เวลาฝึกผลไปเรื่อย จนกว่าจะต่อเนื่องจนกว่าเราไม่ลืมกายลืมใจเลยเห็นหายใจเข้าก็เห็นหายใจออกก็เห็นเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยท่ายนี้ไม่มีทุกเลยจบถึงไม่มีทุกแล้วก็อยู่กับทุกแต่เราไม่ทุกบางครั้งอาจจะสบายมั่งไม่สบายมั่งร่างกายมันไม่สบายก็อย่างนั้นน่้นไม่สบายก็อย่างนั้นนั้นพอเห็นความรู้สึกกันสักก็ว่าเป็นความรู้สึก มันไม่ใช่เราเราอยู่กับความรู้สึกนั่นเองไอ้ความรู้สึกนี้มันก็มันก็เกิดจากดินน้ําลมไฟเนี่ยธาตุทั้งสี่นี่เวลาตายไปธาตุทั้งสี่มันแตกมันไม่สมดุลกันมันกระจัดกระจายเมื่อนั้นก็ตายเท่านั้นก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรและอย่างคนเราบงทีเป็นๆยังเออยังยังต้องหิบ ยังต้องกินต้องเดินต้องเที่ยวอะไรอะไรต่างๆนี่ตายไปแล้วไม่ต้องกินไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเดินไม่ต้องขี่ไม่ต้องเยี่ยวสบายนะสบายเนี่ยอยากจะมาเกิดเองไหมทาไมเกิดไม่ต้องขี่ไม่ต้องเยี่ยวไม่ต้องมีผู้หญิงไม่ต้องมีผู้ชายไม่ต้องรุนวรงไม่ต้องเดือดร้อนนี่ดูไปเรื่อย รู้ตัวรู้ตัวให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องมันเห็นอะไรมันจะเบื่อมันจะเจอชื่อไปหมดเห็นอะไรจะเฉยเฉยอย่างนั้นอ่างนั้เวลาอาจจะเบื่อนะเบื่อความคิดความเห็นของตัวเองด้วยฮเนี่ยมันก็จะหยุดได้เพราะมันหยุดได้แล้วมันถึงจะเห็นถ้าเห็นแล้วมันก็ไม่ไปปรุงแต่งแล้วเนี่ยมีหลายคนที่ เนี่ยทอเอ๋อทอสับมาบอกเออเห็นใหม่ๆมันจะเบื่อเห็นอะไรมันจะเบื่อเบื่อสังขารเบื่อความคิดปรุงแต่งมันมีเราเราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างนี้เราต้องการเราไม่ต้องการเรายินดียินไล่เดี๋ยวเราทุกเราโดทุกนี่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้วนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้พอไม่เห็นมันจะเบื่อเนี่ยเบื่อฟองสังขารเนี่ย เลือดคาปูงแต่งเพราะนั้นขอเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับฟวามปูงแต่งไม่มีที่สิ้นสุดตายแล้วตายอีกตายแล้วอีกตายไปก็ยังปูงแต่งเเกิดมากระปูนแตงเนี่ยซ้ําซากอยู่นั่นเลยว่าตายเกิดอยู่เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเลยไม่รู้จะจบเลยชีวิตบางขอทนได้ก็ดีทนไม่ได้กระปูคอตายิงตัวตายฆ่าตัวตายสารพัดตายกันเยอะ ถ้ารู้อย่างนี้มัน ม, มีทางที่จะไปฆ่าตัวตายอยังฆ่าตัวตายอีกตายไปแล้วเกิดมาชาติใหม่ก็เอาอีกแล้วก็พ่ายแพ้ก็ต้องฆ่าตัวตายอีกเกิดมาก็ฆ่าตัวตายอีกเพราะยังไม่รู้จักอันนี้